พวกเราสนใจการปฏิบัติดีมากที่สนใจแต่ว่าการจะปฏิบัติธรรมเราก็ต้องรู้ว่าเราจะทําอะไรจะทําเพื่ออะไรจะทําอย่างไรต้องรู้ชัดระหว่างทําไม่หลงไม่เผลอไปนี่เรียกว่าสัมปชัญญะตัวปัญญาการปฏิบัติธรรมใดๆต้องประกอบด้วยสติประกอบด้วยปัญญากากับไว้เสมอ ถ้าเราปฏิบัติเราไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรเพื่ออะไรทำอย่างไรเนี่ยนะเราจะพลาดง่ายการปฏิบัติมีสองงานสมถะกับวิปัสสนาเปนสองงานถ้าเราจะทำสมถะเราก็ต้องรู้ว่าที่เราทำนี้เป็นสมถะถ้าเราจะทำวิปัสสนาก็ต้องรู้ว่าที่ทำนี้เป็นวิปัสสนาทำเพื่ออะไรสมถะเนี่ยทำเพื่อให้จิตสงบให้จิตสบายให้จิตดีนะ จิตไม่ดีทำให้ดีจิตไม่สุขทำให้สุขจิตไม่สงบทำให้สงบต้องทำขึ้นมามิปัท ส, สนาไม่ได้ฝึกเพื่อเอาสุขเอาดีเอาสบายเอาอะไรต่างๆเหล่านี้มิปัท ส, สนานั้นฝึกเพื่อเอาความจริงเท่านั้นเองฝึกเพื่อเอาสัมมาทิจิฝึกเพื่อให้เห็นความจริงความจริงของอะไรความจริงของกายกระใจกายกระใจนี่แหละที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าตัวทุกข์ขันท่าคือตัวทุกข์ กายกับใจคือตัวทุกข์ทุกต้องรู้นะงนั้นหน้าที่ของพวกเราที่เราทำวิปัสสนาเนี่ยเพื่อจะมารู้กายรู้ใจจนกระทั่งรู้ความจริงของกายของใจการรู้ความจริงนั่นแหละคือตัวปัญญาสิ่งที่เราต้องการจากการทำวิปัสสนาคือปัญญาปัญญาเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจว่าอะไรว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเรานะ ถ้าเมื่อไรเรามีปัญญาเห็นว่ากายกระใจไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราจิตจะปล่อยวางจิตจะวางกายวางใจลงไปคนที่เริ่มต้นหัดดูกายดูใจมากๆวันหนึ่งเห็นว่ากายกระใจไม่ใช่ตัวเรานะเป็นเพียงธาตุเป็นขันเป็นส่วนหนึ่งของโลกไม่ใช่ของเรานะเห็นว่าตัวเราที่แท้จริงไม่มีอันนี้จะได้พระโสดาบันนะ ถ้าเฝ้ารู้กายรู้ใจต่อไปจนปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจได้เ้าเรียกว่าพระอรหันต์แต่พระอรหันต์ไม่ใช่คนที่สามารถฝึกจิตให้ดีถาวรให้สุขถาวรให้สงบถาวรได้เพราะท่านไม่ได้มุ่งเอาสิ่งเหล่านั้นความสุขความสงบความดีอะไรทั้งหลายเป็นเรื่องของโลกแต่พระอรหันต์คือท่านที่รู้ความจริงของกายของใจจนหมดความยึดถือกายยึดถือใจ ความพนทุกข์ที่แท้จริงอยู่ตรงที่ปล่อยวางได้หมดความยึดถือดังันวิปัสสนาเนี่ยเราต้องคอยเรียนรู้กายเรียนรู้ใจตัวเองจนกระทั่งเข้าใจความเป็นจริงนี่การเรียนรู้กายเรียนรู้ใจเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนบทเรียนไว้สบมบทก่อนที่จะมาถึงขั้นเจริญปัญญารู้กายรู้ใจนะท่านสอนไตรศิกขานะอันแรกเลยเรื่องศีล ศีลสิกขาอันที่สองชื่อจิตสิกขาอันที่สามคือปัญญาสิกขามารู้กายรู้ใจถ้าเราเรียนไม่ครบเนี่ยจะมีปัญหาเกิดขึ้นนะพวกเราส่วนมากเราคิดว่าเราไปขอศีลมาจากพระเราก็เรียกว่าเรียนศีลสิกขาจบแล้มันไม่ตื้นขนาดนั้นศีลนะที่จำเป็นสำหรับสหรับนักปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่ศีลห้าศีลแปดไม่ใช่ศีลสิบไม่ใช่ศีลสองอยี่บเจ็ด สิ่ที่จำเป็นกันักปฏิบัติเนี่ยเรียกว่าอินเซียสังวรศิ่อินเซียสังวรมีลักษณะยังไงนะหมายความว่าเมื่อตามองเห็นรูปนะตามองเห็นอะไรก็ตามความยินดียินร้ายมันเกิดขึ้นที่จิตนะหน้าที่ของเรามีสติรู้ทันนะ กรทั้งศีลยังต้องอาศัยสติเลยนะสตินี่สําคัญจําเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเลยในกูศลทั้งหลายจะต้องประกอบด้วยศีลสติเสมอในศีลก็ต้องมีสติในสมาธิก็ต้องมีสติในปัญญาก็ต้องมีสตินะเพะะน้นถ้าเรามีสติอยู่เช่นตาเรามองเห็นอย่าคุณโนธนะมีภรรยาแล้วเกิดเห็นสาวสวยจิตเกิดราคะมีสติรู้ว่าราคะเกิดขึ้นมาราคะนั้นจะครอบงําจิตไม่ได้ รับรองว่าจะไม่ผิดศีลข้อสามนะแล้วก็ไม่ผิดศีลข้อสี่ไม่ไปหลอกสาวนะศีลมันเกิดเองนะเราเดินเดินอยู่เห็นคนเขาทาโทรศัพท์มือถือตกแหมรุ่นนี้อยากได้พอดีเลยมันเห็นใจที่มีความโลภขึ้นมาอยากไดนะ้สติรู้ทันใจที่อยากได้รู้ทันโลภะโลภะจะดับทันทีนะโลภะครอบงําจิตไม่ได้รับรองไม่หยิบของเขามานะถึงเจ้าของไม่เห็นก็ไม่หยิบนะ คนมาด่าเราเราโกรธสติเรารึกรู้ความโกรธที่เกิดขึ้นความโกรธครอบงําจิตไม่ได้รับรองว่าไม่ด่าเขาไม่ตีเขาไม่ต่อยเขาไม่ทําร้ายเขาไม่ฆ่าเขาเนี่ยศีลจะเกิดขึ้นเพราะความมีสติรู้ทันสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตในใจของเราเพราะนั้นอินทรียสังวรศีลเนี่ยท่านสอนไม่เป็นหลักสูตรว่าดูก่อนพิสุททั้งหลายเมื่อตาเห็นรูป ความยินดียินร้ายเกิดที่จิตให้มีสติรู้ทันถ้ารู้ไม่ทันกิเลส จ, จะครอบงำจิตจิตจะเสียความเป็นปกติไปนะกลายเป็นจิตไม่มีศีลจิตผิดปกติจิตที่ขาดศีลที่จิตผิดปกติถูกกิเลสครอบงํานี่ศีลชนิดนี้จําเป็นกับนักปฏิบัติหูได้ยินเสียงเช่นได้ยินเขาชมใจเราพองเลยรู้ว่าเขาใหญ่เป็นพองรู้ทันมันเราก็ไม่หลงละเริงไปกับคำชมนั้นนะ ถูกเขาดา่าใจมันเดือดขึ้นมาเราเห็นใจที่เดือดแต่เราก็ไม่ยินร้ายกับคนนั้นใจจะเป็นกลางนั่งคนเดียวมานั่งคิดไปคิดเรื่องดีบ้างคิดเรื่องร้ายรายบ้างคิดบางเรื่องเกิดกุศลคิดบางเรื่องเกิดอกุศลมีสติรู้ทันอีกนะอะไรๆก็ครอบงําจิตไม่ได้จิตใจก็เป็นปกตินี่เรียกว่าจิตเรามีศีลต่อไปเราก็เรียนบทเรียนที่สองนะชื่อว่าจิตสิกขา บทเรียนนี้อาภัพที่สุดนะพวกหนึ่งก็จะนั่งแต่สมาธิคิดว่านั่งสมาธิไปเรื่อยๆเคลิมๆไปเรื่อยๆเรียกว่าจิตตะศิขาไม่ใช่นะจิตตะศิขาคือการเรียนรู้เรื่องจิตว่าจิตชนิดใดเป็นกุศลชนิดใดเป็นอกุศลจิตชนิดใดไว้ทําสมถะจิตชนิดไหนไว้ทํำวิปัสสนาจิตชนิดไหนใช้ไม่ได้เลยนะจะต้องเรียนรู้ลักษณะของจิตแต่ละอย่างแต่ละอย่าง นะวิธีเรียนก็มีสองอย่างอย่างหนึ่งเรียนจากตำรานะพวกที่เขาเรียนอภิธรรมเนะี่ยเขจะเรียนสภาวะธรรมเจดสิบสองชนิดนะในเจนะ็ดสิบสองนั้นมีจิตอยู่หนึ่งนะเรียนเรื่องจิตนะจิตจะแจกแจงออกไปได้อีกเนะยอะแยะแนะปดสิบกว่าดวงเราไม่มีมีไม่ครบหรอกนะนี่เรียนอย่างนั้นก็เรียนลําบากนิดหนึ่งนะมีอีกวิธีหนึ่งก็เรียนอย่างง่ายๆเรียนโดยการตามรู้ของจริงไปเลยนะของจริงจรงไป ทีแรเรารู้หลักชนิดหนึ่งก่อนแล้จิตยังไงเป็นกุศลชนิดไหนเป็นอกุศลอันนี้ต้องอาศัยปริยัตินิดหนึ่งอาศัยครูบาอาจารย์สอนไม่งั้นเราจะไม่รู้จักบางทีเราไปสร้างจิตอกุศลขึ้นมานักปฏิบัติชอบไปสร้างอากุศลและจิตขึ้นมานะเนี่ยเป็นเรื่องอัศจรรย์หรืออีกพวกหนึ่งไม่รู้จักสมถะกับวิปัสสนาอยากทํำวิปัสสนานแต่ไปหลงทําสมถะอันนี้เยอะที่สุดเลย เยอะที่สุดเลยมีในทุกค่ายทุกสํานักมีหมดนะเหมือนเหือกันหมดอนะ่ะเวลาถูกก็ถูกอย่างเดียวกันผิดก็ผิดเหมือนเหมือนกันนะงั้นวิธีใดวิธีปฏิบัติอันใดหนึ่งก็ใช้ได้เหมือนกันนะถ้าถูกหลักไม่ได้ว่าสํานักใดดีกว่าสํานักใดเหมือนเหมือนกันนะถ้าเราเรียนให้รู้หลักแล้วก็การปฏิบัติจะไม่ยากถ้าไม่รู้หลักไม่รู้เรื่องจิตเรื่องใจตัวเองนะการปฏิบัติจะยากที่สุดเลยเหมือนงมเข็มในมหาสมุทร อันแรกเลยเราต้องรู้จักก่อนว่าจิตยังไงเป็นกุศลจิตยังไงเป็นอกุศลจิตที่เป็นกุศลเนี่ยนะไม่ถูกราคาโทสะโมหะครอบงำํำนั้นขณะใดจิตมีราคามีโทสะขณะใดจิตหลงไปเผลอไปจิตนั้นเป็นอกุศลแน่นอนะอย่างนี้ดูง่ายแต่ว่าจิตบางอย่างเนี่ยดูไม่ออกว่ามีราคาโทสะโมหะหรือเปล่ามันเป็นอกุศลที่ละเอียดละเอียดเราก็สังเกตเอานะมีองค์ประกอบอื่น จิตที่เป็นกุศลจริงๆจะต้องมีละหูตามีความเบานะถ้าเมื่อไรเราปฏิบัติแล้วจิตเราหนักๆขึ้นมาต้องรู้นะทำผิดแน่นอนอากุศลเกิดขึ้นแทนกุศลแล้วนะเวลาลงมือปฏิบัติบางคนหนักอึดเลยนะหนักเหมือนแบบแบบภูเขาขึ้นครบไม่ใช่แบบครบขึ้นภูเขาล้นะมันหนักขึ้นมาถ้ามันหนักขึ้นมาแสดงว่าทาผิดแน่นอนจิต ท, ที่เป็นกุศลเบานะ จิต ท, ที่เป็นกุศลนุ่มนวลมีมุทุตานุ่มนวลอ่อนโยนถ้าเราปฏิบัติแล้วจิตเราแข็งหลวงพ่อทําหน้าให้ดูนะจิตแข็งแข็งเนี่ยใจมันจะแข็งแข็งทื่อๆอย่างเนี้ยนี่อกุศลนะต้องระมัดระวังนะจิต ท, ที่เป็นกุศลนุ่มนวลจิต ท, ที่เป็นกุศลมีปากุญตาคล่องแคล่วว่องไวถ้าซึมซึมซึมซึมอย่างนี้อกุศลนะทื่อๆทืๆ่อๆ คือทื่อทั้งมันอย่างนี้นะอักุศลนะต้องะระมัดระวังนะงั้นเวลาที่ปฏิบัติรู้สึกไหมพอจงใจทําเมื่อไหร่นะจะหนักๆแน่นๆ แ, แ, แข็งๆซึมๆทื่อๆขึ้นมาเพราะอะไรเพราะโลภะมันเกิดอยากปฏิบัตินี่อกุศลนะโลภะเกิดพออยากปฏิบัติแล้วลงมือปฏิบัติตามความอยากในขณะนั้นความอยากยังครอบงําจิตอยู่ เพราะกิเลสในอภิธรรมท่านสอนกิเลสเป็นสหาชาตปัจใจของกรรมกิเลสเกิดร่วมกับกรรมนั่นเองกิเลสทำให้เกิดการกระทำกรรมนะแต่เกิดด้วยกันงั้นอย่างเราอยากปฏิบัติปุ๊บลงมือปฏิบัติปับ๊บเนี่ยในขณนะนั้นความอยากปฏิบัติยังครอบงำจิตอยู่จิตดวงนั้นเป็นอกุศลจิตหนักหนั ก, นกแน่นแน่นแข็งแข็งซึมๆมทื่อๆขึ้นมาเลยนะ แล้วสติตัวจริงเกิดได้ไหมไม่มีทางเกิดเลยเพราะขณะนั้นพื้นที่นี้กลายเป็นพื้นที่ของกิเลสไปแล้วสติจะเกิดร่วมกับกิเลสไม่ได้เด็ดขาดเลยมีอันหนึ่งต้องไม่มีอีกอันหนึ่งงั้นถ้าเราปฏิบัติไปใจแข็งชื่อขึ้นมานะเกิดจากโลภะนะมีโลภะมูรจิตอยากปฏิบัตินี้พอใจแข็งชื่อขึ้นมาแล้วเกิดโทสามาโมระจิตใหม่อยากหายไม่ชอบมาันลงแข็ง อึดอัดไม่ชอบอยากจะดีอยากจะสุขอยากจะสบายนี่กิเลสล้วนๆเลยนะเพราะเราต้องเรียนให้รู้จักลักษณะของจิตชนิดใดเป็นกุศลชนิดใดเป็นอกุศลหลวงพ่อพูดตรงไปตรงมานะนักปฏิบัติเกือบทั้งหมดแหละหลงสร้างอากุศลอยู่อยากได้กุศลนะแต่หลงสร้างอากุศลเนี่ยจิตจะแข็งแขงทื่อๆหนักๆแน่นๆนะอึดอัดราคะแทรกบ้างโทสะแทรกบ้างแต่ที่ยืนพื้นคือโมหะแทรกอยู่ตลอดเลย ไม่เคยเห็นเพราะไม่ไม่รู้สภาวะตรงความเป็นจริงนั่นแหละโมหะมันบังอยู่หรืออย่างบางทีเราปฏิบัตินะพอเราเพ่งมากๆเรากำหนดมากๆใจเราจะซึมๆนะใจเราจะนิ่งๆบางทีก็เกิดความนุ่มนวลขึ้นมาได้เกิดความสว่างเกิดความนุ่มนวล น, นะแต่จิตของเราเนี่ยหลงเข้าไปยึดถือความสุขความสงบที่เกิดจากการปฏิบัติแล้วนะักปฏิบัติจะมีอีกประเภทหนึ่งที่เพ่งมากๆกำหนดมากๆเนะี่ยจะรู้สึกว่าจิตเบาๆ จิตเบาๆจิตสบายนะจิตมีความสุขรู้สึกสว่างสวัยแต่สังเกตให้เรียนมันจะนิ่งๆอยู่นิดหนึ่งมันจะผิดธรรมดาอยู่นิดหนึ่งแท้จริงจิตที่ดีที่สุดสำหรับการปฏิบัติก็คือจิตธรรมดาของมนุษนั่นเองจิตตปติของมนุษนั่นแหละมนุษย์ผู้มีใจสูงนมนุษย์คือผู้ที่มีใจสูงมีใจที่พร้อมกับจะรองรับธรรมะได้ แต่พวกเรานับปฏิบัติส่วนหนึ่งเนี่ยพอปฏิบัติแล้วเพ่งเอาเพ่งเอากำหนดเอากำหนดเอาเราสูญเสียจิตของมนุษย์กลายเป็นจิตของลมขึ้นมาแทนะจิตของพลมเนี่ยจะนุ่มนวล น, นะเบิกบานนุ่มนวลมีความสุขแต่มันเยิม้มเยิมอยู่นิดหนึ่งมันจะเยิม้มเยิมมีความสุขนะเนียจะหลวงพ่อทําให้ดูนะถ้าใครดูเป็นนะี่ยจะนุ่มนวล น, นะมีความสุขปราคะแทบอยู่ไม่เห็น ดูออกใช่ไหมชาวเชียงใหม่พวกนี้ได้ทิพยจักสุดูออก mm hmm. งั้นนักปฏิบัติจำนวนมากเลยพวกหนึ่งทำไปแล้วเกิดอกุศลเครียดจัดแข็งแข็งหนักหนักแน่นๆพวกหนึ่งทำไปแล้วเคลิบเคลิมีความสุขเพลิดเพลินตัวนี้ไม่ใช่อกุศลละเป็นกุศลมันเป็นโลกียะกุศลตัวนี้แหละขวางการเดินมรรค น, นิพพานในการละเอียดต่อไป นั้นต้องระมัดระวังนิดหนึ่งบางคนฝึกมากๆนะจิตใจจะนุ่มในนุ่มผิดความเป็นจริงเห็น ไ, ไหมนุ่มทั้งวันทั้งคืนสามวันสามคืนก็นุ่มอยู่อย่างนั้นแหลนะนักปฏิบัติจํานวนมากเป็นอย่างนี้นะราคะแทรกแล้วโมหแะแทรกแล้วไม่เห็นอีกแล้วส่วนในพวกที่กําหนดเอากําหนดเอาเริ่มต้นมือใหม่ๆนี่นะโมหกะกับโทสะแทรกเอากาหนดได้ที่เพ่งได้ที่โมหกะาากับราคะแทรก เม่ต้องเรียนนะต้องเรียนจนเรารู้จักลักษณะของจิตเราจะได้เดินไม่พลาดขัดจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีจิตที่เป็นกลางได้จิตที่ผิดมีสองตัวจิตที่บังคับไว้อันหนึ่งนะบังคับไว้จนบังคับแบบหยับหยาบแข็งแข็งหรือบังคับจนมันนวลมนุ่มไปหมดนี่ก็แบบหนึ่งแล้วตัวนี้กวางการเจริญวิปัสสนาอีกตัวหนึ่งก็คือจิตหลงตามกิเลสเตลเิดเปิดเปิงไปสองตัวเนี่ยกวางการปฏิบัติ อันหนึ่งเรียกว่าอาัตตากิลมัฐานุโยคบังคับตัวเองอันหนึ่งเรียกกามสุขาริการุโยคตามใจกิเลสไปแล้วตอบสนองกิเลสไปแต่ถ้าเมื่อไรสติตัวจริงเกิดนะค่อยๆเรียนนะเรียนจนสติตัวจริงเกิดสติเกิดจากการที่จิตจําสภาวะได้ะสติไม่ได้เกิดจากการกําหนดสติไม่ได้เกิดจากการเพ่งสติไม่ได้เกิดจากการสั่งให้เกิดนะ พระพิธทําสอนชัดๆเลยสติมีการจําสภาวะธทำได้แม่นยําเป็นเหตุใกล้ให้เกิดงั้นที่เรามาทําสติปัฏฐานสี่นะเบื้องต้นเนี่ยทาไปเพื่อให้มีสตินั่นเองเราหัดรู้กายจนเรารู้สภาวะของรูปหัดรู้เวทนาจนรู้สภาวะของเวทนาหัดรู้จิตจนรู้สภาวะของจิตเมื่อรู้แล้วเนี่ยนะสติจะเกิดเองเนะช่นเราหัดถ้ามาอยู่ที่หลวงพ่อเนี่ยส่วนมากหลวงพ่อชอบให้หัดดูนมามธรรม พราพวกเราส่วนใหญ่เป็นคนเมืองอาชีพหลักของพวกเราคือคิดคิดลูกเดียวส่วนใหญ่ทํางานที่ต้องคิดคิดคิ ด, ค, ดคิดทั้งวันนะพวกคิดมากเหมาะกับการดูจิตพวกโลภมากรักสุขรักสบายรักสวยรักงามเหมาะกับการดูกายนะนี่พวกเรารู้สึกไหมอยู่ๆเราก็อยากจะเข้าสํานักไหนเราก็เข้าเราไม่ได้รู้ว่าจริตของเราเป็นยังไงเพื่อนเราเข้าสํานักไหนเราก็ตามไปเข้าด้วยสํานักไหนคนเยอะเราก็ตามไปด้วยน่าจะดีอะไรอย่างนี้ อาจจะดีนะครูบาอาจารย์อธิเก่งแต่จริตถ้าไม่ตรงกับเราแล้วเราไปเรียนแบบเขามาเนี่ยไม่ได้ผลหรอกนั้นทำกรรมฐานต้องดูตัวเองก่อนวิเคราะห์ตัวเองให้ออกจริต จ, จิตใจของเราเป็นยังไงถ้าเราเป็นพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามรักความสงบวันๆไม่อยากยุ่งกับใครพวกนี้ต้องดูกายเพราะกายเนี่ยมันจะให้เห็นเห็นง่ายไม่สุขไม่สบายไม่สวยไม่งามส่วนพวกชอบคิดมากจิตใจวักแวกวกแว๊เนี่ยให้ดูจิตเรา ดูจิตไปเลยพวกคิดมากนี่จริตคนมีสองอย่างที่ใช้ทํำวิปัสสนาตันหาจริตกับทิฏฐิจริตก็มีดูกายกับดูจิตส่วนเวทนากรรมนี่ยยังไม่แนะนําเวทนากะระรมนี่มันเป็นกรรมฐานที่เหมาะกับผู้มีปัญญากล้าพวกเรายัางไม่ถึงขนาดที่เรียกว่ามีปัญญากล้าเราก็ดูกายดูจิตเป็นของดูง่ายเป็นพื้นๆแต่ดูกายมีเงื่อนไข กายานุปัสสนาเหมาะกับสมถยานิกเหมาะกับคนเล่นฌานถ้าทำฌานไม่เป็นไปดูกายนะจะหลงถล่มลงไปแช่อยู่ที่กายเลยเช่นเราดูท้องพองยุบนะจิตจะไหลไปเกาะนิ่งนงอยู่ที่ท้องเลยทำอะไรไม่ได้แล้วไปเกาะท้องอยู่นะยกเท้าย่างเท้าจิตจะไปเกาะนิ่งอยู่ที่เท้ารู้ลมหายใจนะจิตจะจมลงเป็นลมหายใจแล้วลืมเนือ้อลืมตัวไปเลยนะะนั้นถ้าใจไม่ตั้งมั่นพอเนี่ยดูกายยาก เการญานุปัสสนาท่านถึงสอนว่าเหมาะกับสมถะญาณิกเมาะคนทำฌานพอเราทําความสงบไปจนถึงฌานที่สองทุติยฌานมันจะเกิดสิ่งหนึ่งที่ครูบาอาจารย์วัดป่าเรียกว่าจิตผู้รู้ขึ้นมาจิตผู้รู้ในภาษาแขกจริงๆตรงกระสรั์จริงๆคือเอโกทิภาวะเอโกทิภาวะความเป็นหนึ่งจิตหนึ่งจิตที่เป็นหนึ่งนจิตที่เป็นหนึ่ง รูบาจารย์วัดปาจะเรียกว่าจิตผู้รู้เพอเราปฏิบัติไปมันจะมีจิตผู้รู้ตั้งขึ้นมามันจะเห็นเลยกายก็อันหนึ่งจิตก็อันหนึ่งเวทนาก็อันหนึ่งจิตก็อันหนึ่งนะความคิดนึกปรุงแต่งกุศลอกุศลก็อันหนึ่งจิตก็อีกอันหนึ่งเนี่ยใจมันจะตั้งเป็นคนดูอยู่มันจะเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูนะเหมือนอย่างที่นักอภิธรรมชอบสอนกัน่ะรูปมันนั่งนะรูปมันนั่งเนี่ย ไอ้ที่นั่งเนี่ยคือรูปไอ้ที่รู้คือนามจะสอนอย่างเงี้ยนั่งเป็นรูปรู้เป็นนามยืนเป็นรูปรู้เป็นนามนะหมายถึงว่าในขณะที่เราดูรูปเนี่ยใจเราไม่ถลำลงไปอยู่ในรูปใจเป็นอิสระนะดูอยู่ห่างๆคล้ายๆเราดูคนอื่นเราเห็นร่างกายนี้ยืนเดินนั่งนอนไปใจเป็นคนดูอยู่ห่างๆเราจะเห็น ท, ทันทีกายนี้ไม่ใช่ตัวเราจะเห็น ท, ทันทีนะไม่ต้องคิดเลยกายนี้ไม่ใช่เรา ท, าทันทีเลยดูออกแล้วใช่ไหมชาวเชียงใหม่ กายไม่ใช่เราเยอะแยะนะในห้องนี้มีมากกว่ายี่สิบคนอีกที่ดูตรงนี้ได้แล้วงั้นที่ยืนเดินนั่งนอนอยู่รูปมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูเนี่ยถ้าดูกายต้องดูอย่างนี้นะเป็นวันนึงเห็นเลยกายนี้มันไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลากายนี้เคลื่อนไหวเพราะจิตสั่งให้เคลื่อนไหวจะรู้จะเห็นความเป็นจริงของกายขึ้นมาส่วนการดูจิตเนี่ยง่ายกว่านั้น ดูจิตเนี่ยเราดูสองอย่างอันหนึง่งเราดูตัวจิตตรงๆไม่ได้เราดูความรู้สึกไปก่อนเรียกว่าดูเจตสิกดูจิตไม่ได้ก็ดูเจตสิกเพราะจิตเนี่ยไม่มีอะไรให้ดูสิ่งที่เป็นรูปร่างของจิตขึ้นมาให้ดูเนี่ยที่เรียกว่านามกายอ่ะจริงๆแล้วก็คือเวทนากสัญญาสังขารอะไรเนี่ยสังขารเนี่ยตัวนามกายเพราะเราอาศัยการรู้สิ่งเหล่านี้ไปก่อน เพราะสิ่งเหล่านี้เกิดร่วมกับจิตดับพร้อมกับจิตเกิดพร้อมกับจิตคือตัวเจตสิกทั้งหลายเช่นเราจะบอกว่าบางทีจิตเราก็มีกุศลบางทีก็มีอาคุศลเรารู้สึกว่าจิตของเราเป็นกุศลจิตเป็นอาคุศลจิตโลบจิตโกรธจิตหลงเบื้องต้นจะรู้สึกอย่างนี้ก่อนแต่ต่อไปพอสติปัญญาแก่รอบขึ้นเราจะเห็นเลยจิตก็อันหนึ่งโลบก็อันหนึ่งจิตก็อันหนึ่งโกรธก็อันหนึ่งจิตก็อันหนึ่งหลงก็อันหนึ่งโค่นกัน นี่จะกระจายสภาวธรรมออกมานจะขึ้นไปสู่ธรรมานุปะนะัสสนามันจะเห็นตัวสภาวธรรมตรงๆแล้วนี่เบื้องต้นยังดูสภาวธรรมขนาดนั้นไม่ได้ไม่เป็นไรนะหัดรู้ไปหัดรู้ความรู้สึกของเราไปหลวงพ่อขอแนะนํานะพวกเราใครเคยทํากรรมฐานอะไรถ้ากรรมฐานนั้นเนื่องด้วยกายด้วยใจของตนเองทําต่อไปไม่ต้องเลิกนะ เรียนที่หลวงพ่อไม่มีรูปแบบสําเร็จรูปหรอกใครถนัดอะไรวันนั้นแต่จับหลักให้ได้เรียนหลักเท่านั้นแหละเรียนหลักให้ถูกแล้วเอาไปสวมลงในรูปแบบของการปฏิบัติที่เราใช้อยู่แล้วไปได้เหมือนกันถ้าผิดหลักนะถึงจะรูปแบบเดินสวยยังไงนะมันก็ไม่เป็นวิปัสสนาหรอกไม่งันถ้าเดินสวยๆแล้วบรรลุธรรมนะโยธวาธิศบรรลุแล้วนั่นมันเดินสวย <c oughs> มันไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวเลยนะกิริยาท่าทางทั้งหลาย เพราะฉะนั้นใครเคยทํากรรมฐานอะไรทําต่อไปนะยกตัวอย่างคนไหนเคยหัดรู้ลมหายใจเข้าออกรู้ต่อไปไม่ต้องเลิกนะถ้ารู้แล้วสบายนะแต่ถ้ารู้แล้วอึดอัดก็แสดงว่าไม่เหมาะไปหาลม อ, อื่นแทนแล้วนะรู้ลมหายใจไปนะการรู้ลมหายใจเนี่จิตจะแยกออกได้สีนะ่ถังอันที่หนึ่งรู้ลมหายใจไปแล้วก็เคลิ้มเคลิมลืมเนื้อลืมตัวขาดสตินี้ใช้ไม่ได้เลย ส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดของพวกดูลมหายใจคือพวกที่หนึ่งนี่นะดูไปแล้วก็เคลิม้มลืมเนื้อลืมตัวไปนี่ใช้ไม่ได้พวกที่สองพอรู้ลมหายใจแล้วจิตจะเคลื่อน้าไปแนบอยู่ที่ลมหายใจเอาใครเคยทำลมหายใจยกมือให้หลวงพ่อดูหน่อยลองหายใจนะแล้วจะค่อยๆสังเกตไปดูที่บ้านก็ได้นะมันเยอะเกินกว่าหลวงพ่อจะไล่จี้ทีละคนไม่ใช่อะไรนึกว่าสักคนสองคน ถ้าเรารู้ลมหายใจแล้วเนี่ยสังเกตให้เดีย๋ยวจิตจะถลําลงไปอยู่ที่ลมจิตจะเคลื่อนไปนะจิตไม่ตั้งมั่นจริงหรอกจิตจะไหละหรือบางคนดูท้องฟองยุบเนี่ ย, จ, จ, ย, ย, ยจิตจะไหลไปอยู่ที่ท้องดูยกเท้าย่างเท้าจิตจะไหลไปอยู่ที่เท้าขยับมือสายหลวงพ่อเทียนขยับมือจิตไหลไปอยู่ในมือรู้อินสิยาบทสี่ยืนเดินนั่งนอนเพ่งมันทั้งตัวเลยตอนนี้ไหลไปเกาะทั้งตัวเลยทําเป็นใช่ไหมง่ายจะตายพวกเนี้ยพวกเพ่งเพ่เอา งั้นอย่างแรกนะอย่าสู้รู้ลมหายใจหรือกรรมฐานอื่นก็เหมือนกันนะรู้ลมหายใจหรือดูท้องพองยุบหรือขยับมือเนี่ยอย่างที่หนึ่งทำไปแล้วก็เคริบเคลิ้มลืมตัวขาดสตินี่ใช้ไม่ได้อย่างที่สองจิตถลําเข้าไปเพ่งอยู่ในอารมณ์นั้นเพ่งลมหายใจเพ่งท้องเพ่งเท้าเพ่งมือเพ่งกายทั้งกายนะหรือไปเพ่งจิตก็ได้นะคนดูจิตก็ไม่ได้ดูจริงหรอกไปเพ่งจิตจ้องจ้องจ้องลงไปจิตทก็นิ่ง พวกที่เพ่งมากๆเนี่ยจะเกิดอาการของสมถะเช่นขนลุกลขนพองตัวลอยตัวเบาตัวโค ร, รงตัวใหญ่อาการเหล่านี้เป็นอาการของสมถะหรือพลังวูบวูบบาบๆไม่ใช่วิปัสสนานะเราไปหลงกันว่าเป็นวิปัสสนาญาณไม่ใช่วิปัสสนาญาณเลยญาณเป็นเรื่องของปัญญาญาณไม่ใช่อาการทางกายญาณะเป็นความอย่างรู้เป็นเรื่องของปัญญา งั้นอย่างเราพงังอ้วบๆ้บบ้าบ้ า, านลุกขนชันนี่นี่เรื่องของสมถะทําไมเรานึกว่าทําวิปัสสนาแล้วกลายเป็นสมถะเพราะเราหลงไปเพ่งนั่นเองเนะช่นเราเพ่งท้องไปเรื่อยๆเราเพ่งลมหายใจไปเรื่อยเดี๋ยวก็ตัวลอย ต, ตัวเบาตัวโครงอะไรอย่างนั้นขึ้นมานะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแต่ถามว่าดีไหมดีแต่ดีแบบสมถะนะวันไหนจิตใจของเราว้าวุาว่นเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้านะทําอะไรไม่ไหวแล้วเจริญวิปัสสนาไม่ไหวเราก็ทําสมถะ คนไหนถนัดดูลมหายใจก็นั่งดูไปให้ใจสบายมีความสุขให้ใจเคล้าเคลียอยู่ที่ลมนะมีความสุขคนไหนดูท้องพองยุบก็ดูไปให้ใจเคล้าอยู่กับท้องมีความสุขเคล็ดลับของสมาธิอยู่ที่ความสุขสมาธิไม่ได้เกิดจากการสั่งให้มันเกิดสมาธิไม่ได้เป็นเหตุให้เกิดความสุขแต่ความสุขเป็นเหตุให้เกิดสมาธิจำไว้นะ เพราะสมาธิพอละเอียดพอลึกขึ้นไปนะั้นมันเป็นอุเบกขามันไม่ได้เป็นความสุขแล้วนะสมาธิไม่ได้เป็นต้นเหตุให้เกิดความสุขแต่ความสุขถ้าหากทาให้เกิดสมาธนะินี่เราจะมีธรรมะที่กลับหัวกลับหางเต็มไปหมดเลยอย่างคนไหนเล่นไพ่มีความสุขเล่นได้โตรุ่งเห็นไหมจิตใจร่างกายตั้งมั่นในการเล่นไพ่เล่นได้โตรุ่ ง, น ง, ง, นนนนงคนไหนชอบดูบอล น, นะดึกๆเที่ยงคืนดูได้ี่ยตั้งอกตั้งใจดู มีความสุขแล้วถึงทําได้เงั้นความสุขทําให้เกิดสมาธิงั้นเราก็ดูกายดูใจนะรู้ลมหายใจรู้ท้องฟองยุบอะไรก็ได้ที่ทําแล้วมีความสุขนะทำไปเดี๋ยวเดียวก็จะสงบแต่จะตั้งมั่นขึ้นมาได้พักผ่อนงั้นอย่างที่หนึ่งหลงไปเลยอย่างที่สองไปหลงทําสมถะเข้าไปทําสมถะเพ่งไปเพ่งกายเพ่งมือเพ่งเท้าเพ่งท้งทองเพ่งจิตเพ่งได้เหมือนกันหมดนะทุกสำ น, นักนะ อันที่สามเรารู้ลมหายใจหรือรู้ท้องพองยุบหรือขยับไม้ขยับมืออะไรเนี่ยเพื่อจะเจริญวิปัสสนาด้วยการรู้กายนี่ก็ทำได้นะอย่างที่สามถ้าหากเราเห็นว่าร่างกายนะมันพองมันยุบเนี่ยใจของเราเป็นคนดูอยู่เห็นไหมต้องมีใจที่เป็นคนดูนะใจตั้งมั่น เราเห็นร่างกายมันพองร่างกายมันย er ุบเห็นร่างกายนี้หายใจเข้าร่างกายนี้หายใจออกเห็นร่างกายนี้ยืนเดินนั่งนอนเห็นร่างกายขยับมือคู่ไหวเหยียดอะไรเงี้ยเห็นร่างกายมันทำใจเป็นแค่คนดูนะมีความรู้สึกเลยรูปเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูไม่ใช่เราแล้วตัวนี้มันเคลื่อนไหวไม่ใช่เราเคลื่อนไหวแล้วนะนี่ไม่ใช่มือแล้วนะนี่ ความรู้สึกมันจะไม่รู้สึกว่าเป็นมือมันจะรู้สึกนิ่แค่รูปที่เคลื่อนไหวถ้ารู้สึกว่าเป็นรูปที่เคลื่อนไหวเราจะพบสภาวะอันหนึง่งใจเราจะเบาแต่ถ้าเป็นมือเราเคล like. like. ื่อ <Right. S 2> นไหวนะได้มัน จ, จะหนักขึ้นมาแต่ถ้าเมื่อ <im> ไรเรารู้สึกรูปมันไหวใจเป็นคนรู้นี่ใจจะโล่งขึ้นมาเลยใจมันจะมีสติมันจะตื่นใจมันตื่นตัวขึ้นมาเห็นรูปที่กำลังเคลื่อนไหวเนี่ยไม่ใช่ตัวเรารู้สึกไหมเนี่ยหนักใจมันจะหนักขึ้นมา พราะอ น, นี้มันไปทําอย่างที่สองไปเพ่งใส่มือไปเพ่งหลงไปคิดแล้วนะประเภทที่หนึ่งหลงไปเห็นไหมมีแต่หนึ่งกับสองอะอย่างเก่งแค่เนี้นะไอ้ที่จะขึ้นอย่างที่สามนะเห็นรูปมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูนี่แทบไม่มีลนะถ้ามีก็จะเกิดปลารยระยะไดนะ้อย่างที่สีนะ่เราหัดรู้ท้องฟองยุบรู้ลมหายใจแล้วหัดสังเกตสภาวะที่เป็นนามธรรม เช่นเราหายใจเข้าหายใจออกจิตหนีไปคิดรู้ว่าจิตหนีไปคิดหายใจแล้วจิตไปเพ่งอยู่ที่ท้องจิตไปเพ่งอยู่ที่ลมรู้ว่าจิตไปเพ่งละหายใจแล้วเกิดปิติรู้ว่ามีปีติหายใจแล้วมีความสุขรู้ว่ามีความสุขหายใจแล้วจิตใจวุ่นวายรู้ว่าวุ่นวายนะหรือดูทั้งฟองยุบแล้วจิตใจว่าวุ่นขึ้นมาก็รู้ว่าวุ่นนะจิตใจเป็นยังไงคอยรู้ไปเรื่อยๆทํากรรมฐานขึ้นมาหนึ่งแล้วคอยรู้สภาวะความเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปเรื่อยๆ ในที่สุดเราจะจำสภาวะธรรมได้มากมายเราจะจำได้ว่าเผลอไปก็เป็นอย่างนี้เองเพ่งไว้ก็เป็นอย่างนี้นะกูสนอะกูศลโลภโกรธหลงเป็นอย่างนี้อย่างนี้เพราะเราจำได้ต่อไปเราอยู่ในชีวิตประจำวันนี่แหละสติจะเกิดเองอันนี้เราสามารถจเจริญสติในชีวิตประจำวันได้ทำได้ง่ายพวกที่ดูจิตนะพวกที่ดูกายทำสติในชีวิตประจำวันยากนิดหนึ่งกายมันของหยาบ มันดึงดูดความสนใจไปหมดเลยแต่อย่างถ้าเราดูจิตดูใจนี่นะเราเห็นเพื่อนเราเดินมาเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะปฏิบัติเลยเห็นเพื่อนเดินมาพอความดีใจผุดแวบขึ้นมานะสติระลึกได้เลยความดีใจผุดขึ้นมาแล้วก็ปัญญาเห็นเลยมันดับลงไปมีแต่เกิดแล้วก็ดับนะมาคุยกับเพื่อนแหมสนุกมากเลยมันรู้สึกสนุกผุดขึ้นมาเห็นนะความสนุกก็เกิดแล้วก็ดับคุยไปคุยมาเพื่อนขัดคอโมอโหแล้ว เห็นความโมโหผุดขึ้นมานะสติระลึกรู้ความโมโหก็ดับมิแต่เกิดแล้วดับเกิดแล้วดับเนะีงั้นถ้าเราฝึกอย่างนี้เราจะเจริญสติในชีวิตประจําวันได้นะแต่ถ้าฝึกอย่างที่1อยู่ตรงไหนก็ทําได้นะหลงทั้งวันทั้งคืนนี่เรื่องปกติอย่างที่สองเพ่งเอาไว้อันนี้ก็ควรจะมาเข้าวัดเข้าคอร์สหรือเข้าห้องเรานั่งดูของเราไปเงียบๆนะอย่างที่สองอย่างที่สามอย่างที่4 อ, อยู่ในชีวิตประจำวันได้ อย่างที่สามคือร่างกายนี้ยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูไปเรื่อยๆเห็นเลยตัวที่ยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่เรา <นะ S 2> เห็นด้วยใจที่อ่อนโยนนุ่มนวลคร่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานใจอย่างนี้ไม่ได้นะอย่างนี้ใจหลงไปเบอร์สามไปดูเขาลืมตัวเองรู้สึกไหมใจมันหลงไปใจมันขาดสติหลงนี่มีหกอันนะหลง หลงไปดูหลงไปฟังหลงไปดมกลิ่นหลงไปริมรถหลงไปรู้สัมผัสทางกายแล้วก็หลงไปคิดถ้าแถมมีงานหนึ่งก็หลงทางใจเหมือนกันคือหลงไปปฏิบัติธรรมหลงไปเพ่งหลงไปกําหนดนั้นหลงนี่มีหกอันพอรู้เรื่องไหมฟังกับหลวงพ่อนะต้องแบบมีทุติยำปีตตาติยำปีถึงจะรู้เรื่องรึไหมต้องฟังแล้วฟังอีก ฟังครั้งที่หนึ่งที่จะรู้เรื่องเนี่ยมีแต่น้อยครั้งที่สองครั้งที่สามนี่ครั้งที่สามนีรมน่รู้เรื่องนี้มีเยอะแต่ฟังต่อเนื่องนะไม่ใช่ปีนี้มาฟังแล้วหายไปสามปีแล้วมาอีกทีมันก็เหมือนเดิมแหละลืมไปหมดแล้วรู้สึกไหมจิตใจตอนนี้พอหลวงพ่อเปลี่ยนเรื่องคุยไม่ได้คุยธรรมะ จ, จิตใจของเราเริ่มเคลื่อนไหวรู้สึกไหมเริ่มวักแวกวกแวกเนี่ยรู้อย่างเนี้นะดูไปง่ายจะตายไปไม่เห็นมีอะไรเลย เราไปคิดมากเองว่าธรรมะคือต้องทอําน อ, น อ, ทอย่างน้นต้องทําอย่างนี้เหนือธรรมดาเหนือธรรมดามันก็ไม่ได้เห็นธรรมดาสิธรรมะนั่นแหละคือตัวธรรมดาล่ะเราชอบไปทําำจนเหนือธรรมดาเราก็ไปเห็นซูเปอร์แมนนะพอเข้าใจไหมนะไม่เข้าใจก็ต้องทนนะหลวงพ่อไม่เก็บค่าฟังไม่เรียกร้องอะไรเลยที่จะมาฟังหนังสือก็แจกฟรีนะซีดีก็ให้ฟรีเรียกร้องอย่างเดียวขออย่างเดียว อึดๆเข้าไว้ทนๆเข้าไว้ขออย่างเดียวเก่งไม่กลัวนะกลัวกลัวคนไม่อดทนนะแล้วธรรมะก็ไม่ได้เรียนเพื่อจะเอาความฉลาดรอบรู้ไม่ได้เรียนเอาความสุขอะไรนะเรียนให้เห็นความจริงเท่านั้นไม่ใช่บางคนเรียนแล้วนึกว่าจะต้องรู้พระไตรปิฎกทั้งหมดไม่มีสาวกคในใดรู้พระไตรปิฎกทั้งหมดไม่ใช่พระพุทธเจ้าเนี่ย ้นพวกเราเป็นพวกสาวกทั้งหลายเราก็จะรู้เฉพาะสิ่งที่เราทำมาแต่คล้ายๆเราเดินขึ้นภูเขาระหว่างที่เราเดินขึ้นภูเขาสมมติมีภูเขาลูกหนึ่งเวลาเราจะเดินเราก็จะคอยดูคนส่วนมากก็ไปทางไหนเราก็จะตามเขาไปเดินตามเข้าไปเดินถ้าเดินสูงขึ้นไปเรื่อยๆวันนึงก็ขึ้นยอดเขาได้เหมือนกันแหละเราก็คิดว่าทางนี้ดีที่สุด แต่ถ้าเราขึ้นบนยอดเขาแล้วเราหันไปรอบตัวเราจะรู้เลยทางขึ้นเขานี้มีรอบทิศทางเลยขึ้นทางไหนก็ได้สำนักไหนก็ได้พูดจริงๆแต่หลักให้ถูกก็แล้วกันนะดูท้องของยุบแล้วก็ดูแล้วเคลิมนี่ใช้ไม่ได้ดูแล้วเพ่งได้สมถะนะดูแล้วเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูได้วิปัสสนาด้วยกันดูกายรู้ว่ากายไม่ใช่เราดูท้องของยุบแล้วเห็นจิตเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย นี่มันเอาท้องข อ, องยุบเป็นพื้นฐานแล้วมาดูจิตได้ทำจิตตานุปัสสนาได้รู้ลมหายใจก็เหมือนกันรู้แล้วขาดสติใช้ไม่ได้รู้แล้วเพ่งลมหายใจได้สมถะรู้แล้วเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูทา ม, มิปัสสนาดูกายเห็นในตัวที่หายใจอยู่นี้ไม่ใช่เราหรอกรู้ลมหายใจแล้วก็คอยรู้สภาวะของจิตใจไปนี่ก็ไปดูจิตขยับมือสายหลงพ่เทียนขยับแล้วใจลอยใจลอย แต่ลอยไปนี่ไม่ได้อะไรเลยนะอย่างที่สองขยับแล้วเพ่งเพ่งจิตไปเพ่งใส่มือเพ่งเพงเพงได้สมถะอันที่สามเห็นรูปมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูนี่หลวงพ่อเตียนต้องการสอนตรงนี้แต่หลายคนเข้ามาไม่ถึงตรงที่ท่านสอนไม่ติดอันที่สองหมดหรือไม่ติดอันที่หนึ่งเลยนะหลงอยู่ในความคิดมาขยับนี้แล้วเดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวท่าต่อไปมันอะไรวะอ๋อท่านี้คิดเล่ากอะไรอีกอ่ะ คิดตลอดเลยนะถึงจะคิดหนอคิดหนอก็ไม่มีผลอะไรไอ้คิดหนอนะั่นแหละคิดหละนะรู้สภาวะไปนะทางใครทางมันนะแต่ละคนมีทางเฉพาะของตัวเองนะไม่ต้องเรียนแบบกันนะไม่ต้องเรียนแบบกันแต่ฟังหลักไกรศึกขาที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังให้รู้เรื่องนะศึกษาตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์คอยรู้ทันความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงนะ หัดรู้ไปแล้วก็เรียนเรื่องจิตใจจิตยังไงเป็นกุศลจิตยังไงเป็นอกุศลพวกเรารู้สึกไหมพวกเราส่วนใหญ่ในห้องคะแนนีน้จิตมันเบาเบารู้สึกไหมแล้วไม่ได้เบาแบบเลื่อนลอยนะเบาแบบนุ่มนวลก็มีบางคนที่ติดการเพ่งมนจะทื่อๆไม่มีความรู้สึกอะไรหรอกมันจะทื่อๆลูกเดียวถ้าติดการเพ่งเอาคุณก็ติดนะต้องระวังนิดนึงมันเคยชินที่จะน้อมจนซึมซึมซมซึมไม่ดีนะ จิตต้องรู้ตื่นต้องเบิกบานรู้เนี้ยรู้ตัวต้องสบายถ้าปฏิบัติแล้วอึดอัดอ่กุศลแน่นอนนะแล้วจิตที่อึดอัดเนี่ยเป็นอกุศลและจิตแต่ถ้าปฏิบัติแล้วจิตเบาๆไม่แน่ว่าเป็นกุศล น, นะต้องระมัดระวังบางคนบอกว่าจิตเบาทั้งวันเลยนี่เบากางี้เดี๋ยวพวกดูจิตเป็นก็จะดูหลวงพ่อทําให้ดูนะมันจะเบา จิตที่เบาไม่จำเป็นต้องเป็นกุศลแต่จิตที่หนักเนี่ยเป็นอกุศลหรือจิตที่มีความทุกข์อกุศลแน่นอนจิตที่มีความสุขอาจจะเป็นกุศลหรืออกุศลก็ได้นะมันไม่แทนที่กันนะไม่ใช่ว่าเบาปุ๊บก็ถูกปั๊บไม่ใช่ของคุณเบอร์สิบสองอะเบาไม่ถูกเข้าใจไหมเบาเวอ้อเบอไปนะเบาเกินจริงไปอันนั้นแหละอกุศลจิตมีโมหะอยู่ นะแล้วคุณเบอร์สีที่เลี้ยงแมงครับไปเนี่ยใจลอยไปแล้วรู้ไหมทนทนนะทนฟังไปค่อยๆฟังโยมเบอร์เก้ากับโยมเนี้ยที่ฝึกมาไม่เสียหายนะใช้ได้แต่ว่าฟังเพิ่มนิดนึงจะได้ก้าวขึ้นมาสู่การทำวิปัสสนาจริงๆส่วนใหญ่เราไปติดอยู่แค่สมถะเราไปติดแค่อาการของสมถะ เราไปคิดว่าอาการของสมถะเป็นมิปัสนายานยานเป็นชื่อของปัญญาไม่ใช่ชื่ออาการทางกายเป็นเรื่องความรู้ความเข้าใจแต่ครูบาอาจารย์แต่ก่อนเป็นอุบายของท่านท่านสงสารพวกเราพวกเราขี้เกียจปฏิบัติอะไรเงี้ยท่านก็เลยชมเราว่าได้ยานนั้นยานนี้ให้กําลังใจนะกาลังใจเคยมีพระมีโยมที่เป็นลูกศิษย์รุ่นเก่าๆบอกว่าเคยคุยกับครูบาอาจารย์รุ่นโน้นมาแล้วที่ท่านเริ่มสอน เรื่องหยาดพวกเนี้ยบอกมันสมถะนะท่านท่านทราบนะท่านบอกท่านรู้แต่ท่านสอนเพื่อให้มีกําลังใจพอ ม, มีกําลังใจอดทนทําไปนะอย่างน้อยก็ได้สมถะละคนไหนมีบุญวาสนาแกกล้าขึ้นมาหลุดออกมาจากสมถะได้มัาเจริญวิปัสสนาต่อนะค่อยๆเรียนสํานักไหนก็ถูกได้เหมือนกันกิจได้เหมือนกันนะอย่างหลวงพ่อเรียนมาจากสายวัดป่ารุ่นหลังๆก็ติดสมาธิกันติดเยอะ ส่วนใหญติดสมาธิพวกเราที่ฝึกพองยุบเกือบทั้งหมดก็ติดสมาธิติดการเพ่งเพราะเราคิดว่าสติคือการกำหนดตัวเนี้ยที่พลาดกันสติไม่ได้แปลว่ากำหนดสติแปลว่าความระลึกได้สติไม่ได้แปลว่ากำหน ด, ะะ ด, ดะะกำหนดเ น, นี้ยมันเจือด้วยโลภะเจตนามีโลภะแทรกนะงั้นในคำภีของเราสอนบอกว่าสติอันกาหนดรูปนามเป็นอารมณ์นี้เป็นทุกข์นะ ตันหาคือกิเลสตันหาเราอยากปฏิบัติเนี่ยตันหาอยู่เบื้องหลังการเอาสติไปกําหนดรูปนามนี่คือตัวสมุทยัยคือเหตุให้เกิดทุกข์เราอยากปฏิบัติปุ๊บกําหนดปับ๊บความทุกข์เกิดทันทีเลยนะมีกิเลสคืออยากปฏิบัติลงมือกําหนดคือการกระทํากรรมเกิดวิบากมีผลเป็นทุกขนะ์ถ้ากําหนดเก่งๆนะมีกิเลสลงมือกระทํากรรมไปนเสร็จแล้ว ทำได้พะดิบพอดีนะจิตใจมีความสุขขึ้นมาอย่างนี้ก็มีนะอกุศลเป็นปัจจัยของกุศลก็ได้อกุศลเป็นปัจจัยของอกุศลก็ได้กุศลเป็นปัจจัยของอกุศลก็ได้นะอย่างเช่นว่าเราเห็นเด็กเห็นลูกเราเออกไปวิ่งอยู่ข้างถนนหรือไปเล่นน้ำฝนอะไรเงี้ยเรามีการุณากลัวว่าจะบาดเจ็บกลัวจะเจ็บป่วยกลัวรถชนกลัวจะเป็นหวัดเรามีกรุณาเรียกให้เข้าบ้าน เรียกให้เข้าบ้านแล้วไม่ยากเข้าเราอยโมโหนะอาจจะจับเด็กมาตีก่อนเด็กยังไม่ทันจะป่วยเพราะเป็นหวัดเลยแต่เจ็บเพราะถูกตีละเนี่ยกุศลพลิกเป็นอกุศลไปเรียบร้อยแล้วหรือมีนะพระเมื่อก่อนมีอยู่องค์หนึ่งมีชื่อเสียงท่านจเจริญเมตตามากเลยพอเมตตาล้มหน้าปาสติสติตามไม่ทั น, นจิตพลิกเป็นราคะจิตพลิกเป็นราคะงั้นเมตตาเนี่ยพลาดนิดเดียวจะพลิกเป็นราคะเลย กาลูนานะพลาดนี้เดียยจะพลิกเป็นโทสะเลยต้องระมัดระวังอกนะุศลพลิกเป็นอกุศลก็ได้อกุศลพลิกเป็นกุศลก็ได้ยกตัวอย่างเช่นเราใจลอยไปเราใจลอยเราเกิดสติระลึกขึ้นได้ว่าใจลอยนี่พลิกเป็นกุศลลนะอกุศลพลิกเป็นอกุศลก็ได้ถ้าในขั้นละเอียดนะเช่นพอเรารู้สึกตัวขึ้นมาพับเช่นเราใจลอยอ ย, อยู่ใจลอยมาหนึ่งชั่วโมง น, นี่เป็นอกุศล เกิดะระลึกขึ้นได้ในขณะจิตเดียวนั่นแหละว่าอ้าวเผลอไปละขณะนั้นเป็นกุศลเรียบร้อยแล้วถัดจากนั้นเกิดอกุศลตัวใหม่นะเช่นโธ่ไม่น่าใจลอยไปเลยนี่ฟุ้งซ่านละลำพึงลำพันดานะด่าตัวเองเยงเยงเ ย, งยงอกุศลนะฟุ้งซ่านละหรืออีกพวกหนึง่งห่วงอนาคตนี่อกุศลเหมือนกันใจลอยไปเป็นอกุศลรู้สึกว่าใจลอยเป็นกุศลว่าทำยังไงจะไม่ใจลอยกําหนดใหญ่เลย โลภะแทรกแล้วนะอกุศลแทรกแล้วนะงั้นเราไม่ได้เรียนเพื่อจะไม่ให้ใจลอยฟังตรงนี้ให้ดีนะเราไม่ได้เรียนเพื่อจะไม่ให้ใจลอยแต่ที่เราต้องหัดรู้สึกตัวเนี่ยเพื่อจะได้รู้จักว่าใจลอยเป็นยังไงแล้ววันหนึ่งจะเห็นว่าใจลอยก็ไม่เที่ยงรู้สึกตัวก็ไม่เที่ยงไม่ได้ฝึกเอาความรู้สึกตัวนะไม่ได้ฝึกเพื่อจะเอาอะไรสักอย่างเดียวเลยแต่เดิมเราใจลอยทั้งวันคนในโลกนี้หลงทั้งวันหลงตั้งแต่เกิดจนตายด้วยนะตายแล้วก็หลงต่อไปอีก แล้วนะเพราะฉะนั้นในโลกนี้จะไม่มีคนที่รู้สึกว่าตัวเองกําลังหลงอยู่เพราะอะไรเพราะหลงตลอดเวลายกตัวอย่างสมมุติในห้องนี้ทุกคนรวมทั้งหลวงพ่อด้วยชั่วนะรับรองในห้องนี้จะไม่มีคนชั่วนึกออกไหมเพราะมันชั่วเท่ากันมันก็เลยดีเท่ากันหมดเลยนะ เ, เกิดเบอร์เจ็ดสิบสองดีขึ้นมาคนเดียวหลวงพ่อกลายเป็นพล้าชั่วขึ้นมาลนะเนี่มันจะเกิดการสภาวะที่เห็นความแตกต่างขึ้นมางั้นโดยทั่วไปจิตของเราหลง ตลอดเวลาหลงตั้งแต่เกิดจนตายเลยนะตั้งแต่ตื่นจนหลับตั้งแต่เกิดจนตายหลงตลอดไม่เคยรู้ว่าตัวเองหลงอยู่ในโลกนี้หลงทั้งคนคนหลงทั้งโลกนะกล้าพูดอย่างนี้เลยคนที่รู้ตัวได้เนี่ยนับตัวได้เลยมีไม่เท่าไหร่หรอกนอกนั้นหลงอยู่หมดแต่ไม่รู้งั้นเราต้องมาหัดฟังธรรมมาไปเรื่อยจนวัน ห, หนึ่งจิตของเราตื่นขึ้นมาเรารู้สึกตัวแวบเราจะรู้เลยที่ส่านมาตลอดนี้หลงตลอดเลยนะ ร, รู้สึกตัวได้แวบเดียวรู้เลยที่ผ่านมานี้หลงเหมือนกับมีคนดีขึ้นมาคนหนึ่งเลยรู้เลยที่ผ่านมานี้ชั่วตลอดเลยนะแบบเดียวกันเสร็จแล้วเราจะเรียนธรรมะ ต, ต่อไปอีกเราก็จะเห็นเออความหลงเนี่ยห้ามมันก็ไม่ได้นะเดี๋ยวก็รู้สึกตัวเดี๋ยวหลงเดี๋ยวรู้สึกตัวเดี๋ยวหลงเนี่ยดูซ้ําๆไปปัญญาจะเกิดจิตจะหลงห้ามไม่ได้จิตจะรู้สึกตัวสั่งให้รู้สึกก็ไม่ได้กําหนดก็ไม่ได้นะกําหนดก็ไม่ทําให้รู้สึกตัวมีแต่ยิ่งหลงหนักเข้าไปอีก นถ้าสติเกิดจำสภาวะได้เช่นจำได้ว่าหลงเป็นไงสติจะเกิดในพระสติเกิดเพราะมีเหตุให้เกิดไม่ใช่เพราะเราสั่งหรือบังคับให้เกิดแต่พอสติเกิดแล้วอยู่ได้ชั่วขณะก็ดับไม่ใช่ว่ากุสลเกิดแล้วไม่ดับนะเราเห็นเลยเพลอ这ก็ห้ามมันไม่ได้ไล่มันก็ไม่ไปความรู้สึกตัวสั่งให้เกิดก็ไม่ได้เกิดแล้วรักษาไว้ก็ไม่ได้เห็นไหมมันเท่าเทียมกัน ระหว่างหลงกับรู้สึกตัวระหว่างโลบกับไม่โลบระหว่างโกรธกับไม่โกรธมันเท่าเทียมกันนะมันสอนสภาวาธรรมที่เท่ากันคือสอนไตรลักษณ์นั่นเองในที่สุดจิตเราจะเกิดปัญญาเกิดความรู้รวบยอดเห็นขึ้นมาเลยจิตทั้งที่เป็นกุศลและอกุศลเนี่ยล้วนแต่ไม่เที่ยงล้วนแต่บังคับไม่ได้นะในสุดเราก็จะเข้าใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไป ไม่มีอะไรที่เกิดแล้วไม่ดับไม่มีอะไรที่เราบังคับได้มีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับตัวตนที่แท้จริงของเราไม่มีนะตรงนี้จิตจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิตรงนี้จะเข้าสมาธิแล้วนะแล้จิตรวมเข้ามาในอัปปนาสมาธิแล้วจิตจะเห็นสภาวะธรรมเกิดดับขึ้นสองขณะบ้างสามขณะบ้างแต่ละคนไม่เหมือนกันนะบางคนที่ปัญญากล้าเห็นสองขณะแค่นั้นตรงนี้เขาเรียกว่าสัจจานุโลมิกอยา่างจิตคล้อยตามมริยาสัตว์ คล้อยตามอะไรคล้อยตามทุกนั่นเองนะทีจะรู้ว่าสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยคือตัวทุกนะแต่ว่าจิตไม่ไปเกลียดมันนะจิตจะเป็นกลางอย่างแท้จริงเลยเรียกว่ายอมรับความจริงแล้วว่าเออทุกมันเกิดแล้วทุกมันดับทุกมันเกิดแล้วทุกมันดับยอมรับความจริงถัดจากนั้นจิตจะปล่อยวางความยึดถือกองทุกหรื อ, ย, อ ย, ยึดถือกายยึดถือใจนี่เองแล้วทวนกระแสพระมาหาธาตุรู้นะอาสวะกิเลสที่ห่อหุ้มธาตุรู้อยู่นี้จะถูกอริยะมรรคแหวกออก นั้นเวลาจิตหลุดพ้นเนี่ยท่านในพระไตรปิฎกท่านใช้คําว่าจิตหลุดพ้นจากอาสวะเพราะความไม่ถือม live ั่นแคําในพระไตรปิฎกสําคัญนะไม่มีคลาดเคลื่อนเลยอาศจริย์ที่รักษากันมาได้จิตหลุดพ้นจากอาสวะอาสวะกิเลสนี่แหละห่อหุ่มจิตเอาไว้ะจิตหลุดพ้นจากอาสวะเพราะความไม่ถือมั่นคือไม่ยึดถือในกายในใจไม่ใช่ไม่ยึดถืออาสวะนะเพราะความไม่ยึดถือในกายในใจนี้กายกระใจเราคือตัวทุกข์ พอมีตัวทุกข์เรารู้สึกว่ากายกระใจคือตัวเราเราคิดว่ากายกระใจเป็นเรานะไม่ใช่เป็นตัวทุกข์ไม่ได้เป็นสมบัติของโลกคิดว่าเป็นตัวดีเป็นตัวเราก็อยากให้มันมีความสุขเห็นไหมเพราะไม่รู้ความจริงของทุกข์ไม่รู้ความจริงของกายของใจจึงเกิดตัณหาอยากให้มันสุขอยากให้มันสุขมีตัณหาก็ดิ้นรนใหญ่เลยยิ่งดิ้นรนยิ่งเกิดความทุกข์งานตัณหาก็เลยทําให้เกิดทุกข์ความไม่รู้ทุกข์ก็ทําให้เกิดตัณหานี่แหละสังสารวัฏอยู่ตรงนี้เองน ก็มีตัณหาขึ้นมาก็เลยเกิดทุกข์เพราะไม่รู้ความจริงของทุกข์คือมีอวิชชานั่นเองไม่รู้ความจริงของทุกข์จึงเกิดตัณหาความจริงของทุกข์ก็คือกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกมันคือตัวทุกข์มันคือตัวสมบัติของโลกมันคือธาตุคือขันนะทั้งกายทั้งใจคือธาตุนะใจก็เป็นธาตุอย่างหนึ่งนะเรียกว่ามโหธาตุวิญญาณธาตนะุเป็นธาตนะุไม่มีตัวเรานะอันนี้ต้องเห็นด้วยสติด้วยปัญญาแทงทะลุเข้าไปเห็นจริงๆไม่ใช่คิดเอา ถ้าีิดเอปล่อยวางไม่ได้หน้าที่ของเรารู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจนะสติปัญญาจะแก่รอบขึ้นมาหัดใหม่ๆเราก็จะเห็นว่าเออถ้าเกิดความอยากเกิดความยึดจิตจะทุกโหนตเห็นนะใช่ไหมวุ่นก็เห็นใช่ไหมใจมีความอยากมีความยึดถือนะใจจะทุกข์ถ้าไม่อยากไม่ยึดไม่ทุกข์นี่นึกว่ารู้อริยสัจหรอไม่รู้หรอกใจยังมีสองชนิดคือใจที่ทุกข์กับใจที่ไม่ทุกข์กายมีสองชนิดคือกายที่ทุกข์กับกายที่ไม่ทุกข์ พราพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นท่านสอนว่ า, าขันท่าเป็นทุกข์กายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยไม่มีทุกข์กระสุขไม่มีเนี่ความเห็นผิดของเรางั้นแต่เราเห็นปฏิจจสมุ ป, ปบาทหรือเห็นอริยสัจได้ครึ่งท่อนเราเห็นแต่ว่าถ้ามีความอยากมีความยึดมันจะทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเรารู้กายรู้ใจมากเข้ามากเข้าเราจะรู้กายกับใจนี้แหละคือตัวทุกข์ ไม่ใช่ตัวเราพอรู้อีกนี้มันจะเกิดคำหนึ่งเรียกว่าปฏินิสสาการสลัดคืนคืนกายคืนใจให้กับโลกเขาหมดความยึดถือพอคืนกายคืนใจกับโลกต่อไปนิสตันหาจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วเพราะฉะนั้นถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งสมูทัยจะถุกละเมื่อก่อนหลวงพ่อเคยสงสัยนะพระพุทธเจ้าทําไมสอนอริยสัจกลับข้างทําไมท่านไม่เริ่มจากสมูทัยก่อนเห็นไหมมีสมูทัยแล้วก็เกิดทุกข์ ต่มาไปเป็นนักวิเคราะหนะ์นั้นก็เลยนึกว่าท่านยกทุกข์ขึ้นมาก่อนเพราะทุกข์เป็นตัวปัญหาสมูทัยเป็นสาเหตุมองแบบนักวิเคราะห์เอาความคิดเข้าไปใช้นั่นแหละแต่ความจริงท่านสอนตามลําดับของการปฏิบัติลําดับของการปฏิบัติคือให้รู้ทุกข์น่นแหละให้รู้ทุกข์ท่านสอนเพื่อาการปฏิบัติธรรมะของท่านสอนเพื่อเอามาปฏิบัติไม่ได้สอนขึ้นมาเรียนหรือเอามาคิดเล่นโกโก้ไม่ได้เอามาวิเคราะห์เล่นโกโก้ เพราะฉะนั้นท่านเริ่มจากทุกข์นั้นถูกต้องแล้วเพราะท่านให้รู้ทุกข์การปฏิบัติคือการรู้ทุกข์คือรู้กายรู้ใจนั่นเองถ้ารู้ไม่ถูกก็หลงไปสองข้างหลงไปเผลอไปคิดกับเผลอเข้ามาเพ่งไว้กําหนดไว้บังคับไว้สุดโต่งสองข้างถ้ารู้ถูกต้องเรียกว่าทางสายกลางรู้ตรงตามความเป็นจริงเมื่อรู้ตามความเป็นจริงกายกระใจจะแสดงไตร ล, ลักษณ์ให้ดูถ้ากายกระใจไม่แสดงไตร ล, ลักษณ์นะใช้ไม่ได้นะอย่างบางคน ทำจิตหลวงพ่อทําให้ดูนะพวกที่ดูเป็นดูไว้ <Yeah. S 1> อยู่ระดับเนี้นะระดับเนี้ยจะเห็นสิ่งอื่นเป็นไตรลักษณ์หมดเลยยกเว้นจิตจิตเที่ยง <Yeah. S 1> รู้สึกไหมจิตคงที่ตลอดกี่วันกี่คืนจิตก็คงที่อยู่ตลอด <Yeah. S 1> สิ่งอื่นหรอกไม่เที่ยงจิตเที่ยง <Yeah. S 1> ละสักยะทติถี่ไม่ได้จริงหรอกแต่ถ้าปฏิบัติเข้าทางสายกลางที่ถูกวิธีจะทําทางสายกลางที่ถูกแล้วรู้ตรงที่ผิดไว้ หัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆเผลอเป็นอย่างนี้เพ่งเป็นอย่างนี้นะโรคโกรธหลงเป็นอย่างนี้รุ่มไปเรื่อยยสติตัวจริงเกิดจะเข้าทางสายกลางเองทางสายกลางเนี้ยไปจงใจเข้าไม่ได้หรอกเพราะเราไม่รู้ว่ากลางอยู่ตรงไหนบางคนพยายามหาจุดที่กลางนะกลางต้องอยู่กลางหน้าอกแน่เลยหรืออยู่กลางหน้าผากนะนั่นมันกลางอะไรก็ไม่รู้แล้วนั่นเป็นกลางกายนะหรืออยู่เหนือสะดือหรืออยู่อะไรอย่างเงี้ยหากลางไม่ใช่กลางไม่ได้เข้าอย่างนั้น ก็มีสติเมื่อไหร่จิตก็เข้าทางสายกลางเมื่อ น, นั้นแหละจิตจะมีสติได้เมื่อมันรู้จักสภาวะหัดรู้สภาวะไปะหัดรู้ดูท้องฟองยุบไปก็ได้เห็นในรูปมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูรูปมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูเจะไม่ใช่คิดนะต้องรู้สึกเอาวิปัสสนาไม่ใช่คิดนะบางคนชอบคิดนะเช่นพอโกรธขึ้นมาพอรู้ว่าโกรธขณะที่โกรธเนี่ยจิตเนอกุศลตรงที่รู้ว่าโกรธเนี่ยกุศล ตรงนี้ปฏิบัติเสร็จล่ะหลังจากนั้นเริ่มจิตอีกแล้วกลัวน้อกลวน้ออะไรนี่นะตรงนี้คิดนะจิตที่รู้กับจิตที่คิดนี่คนละดวงกันนะจิตที่คิดเนี่ยตกจากวิปัสสนาละพอรู้เรื่องไหมค่อยๆหัดนะค่อยๆฟังหลพ่อฟังเล่นๆไม่ซีเรียสไม่เก็บค่าฟังด้วยอ่าววันนี้พอสมควรแก่เวลาเชิญกลับบ้านได้